ลพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุ ก, ท, ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13ทาธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 7เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิการ ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาแปลงทรัพย์สินแปลงมนุษยทรัพย์ให้ไปเป็นเทวทรัพย์ให้เป็นพรหมทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์พอต่อไปเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจจำเป็นจะต้องไปสู่โลกทิพ์ต่อไป ถ้าไปโลกทิพ์ถ้าไม่มีทรัพย์ติดตัวไปก็จะไปเป็นเปรตหรือไปเกิดเป็นเดราาัจฉานถ้าได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลได้บำเพ็ญจิตตภาวนาสถามถภาวนาวิปัสนาภาวนาเวลาต้องออกเดินทางจากร่างกายนี้ไป ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกบ้างสวรรค์ชั้นพรมโลกบ้างสวรรค์ชั้นอริยเจ้าบ้างต่างแต่ทรัพย์ที่เราได้แปลงเอาไว้สวรรค์ชั้นต่างๆก็เป็นเหมือนกับโรงแรมที่พักอาศัยในระดับต่างๆระดับหนึ่งดาวก็มีสองดาวก็มี สดาวสี่ดาวหาดาวก็มีผู้ที่จะไปอยู่ในโรงแรมต่างๆเหล่านี้ต้องมีทรัพย์ที่จะต้องจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารค่าบริการต่างๆถ้าทําบุญให้ทานก็จะมีทรัพย์ระดับเทวทรัพย์ไปอยู่โรงแรมระดับหนึ่งดาวสองดาวถ้า ภาวนาได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จะได้มีพรหมรัพ์ผู้มีพรหมรัพ์ก็ได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นพรห ม, มโลกสวรรค์โรงแรมชั้นสามดาวสี่ดาวแล้วถ้าภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นการเกิดการดับ ของสิ่งต่างๆเห็นว่าเป็นความทุกขเห็นว่าไม่ใช่เป็นของเราก็จะได้อริยทรัพย์ขั้นต่างๆอาริยทรัพย์นี้ก็ระดับโรงแรมสี่ดาวห้าดาวขึ้นไปนี่คือทรัพย์ต่างๆที่เราตอนนี้มาแปลงกันเพื่อที่เวลาเราไปเราจะได้ไปอยู่ที่สบาย ตามกำลังทรัพย์ของเราถ้าเราไม่มีทรัพย์ติดตัวไปเราก็จะต้องไปเป็นเปรบ้างไปเป็นเดรัจฉานบ้างหรือไปอยู่ในนรกบ้างถ้าเราสร้างนี้สร้างเวรสร้างกรรม่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์กระเพิดผิดประเวณีพูดโดมทเทศโกหกหล่อลวง และเสพอาบายามุกต่างๆเช่นสุรายามาเล่นการขนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้าการกระทำเหล่านี้เป็นการก่อหนี้ก่อเวรก่อกรรมตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้าง เป็นสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เกี่ยวกันเพราะความเชื่อไม่ได้เป็นเหตุความไม่เชื่อก็ไม่ได้เป็นเหตุเหตุก็คือการทำบาปการเสพอบายามุกถ้าเสพอบายามุกแล้วทำบาปก็จะต้องไปรับผลของบาปต่อไป เช่นเดียวกับการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการภาวนาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าได้ทำแล้วก็ต้องได้รับผลเช่นเดียวกันเหมือนกับการที่เราจะเชื่อกฎหมายหรือไม่เชื่อกฎหมายทำผิดกฎหมายถ้าถูกจับได้ก็ไปถูกจับลงโทษ จะไปบอกสารว่าไม่เชื่อไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ฟังเพราะเขาเห็นว่าเป็นการแก้ตัวฉันใดเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้ก็เป็นเรื่องตายตัวไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่การกระทำหรือไม่กระทำถ้ากระทำก็ต้องได้รับผลตามมานี่เป็นกฎของกรรมเป็นอย่างนี้ การกระทาทางกายทางวาจาทางใจจะนำมาซึ่งผลทางใจคือความสุขความทุกข์ต่างๆการกระทานี้ก็เริ่มต้นที่ใจใจเป็นผู้คิดคิดแล้วก็สั่งไปที่ร่างกายสั่งไปที่วาจาอย่างวันนี้ก่อนที่เราจะมาวาดกันเราก็ต้องคิดก่อนว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ ไม่ต้องไปทำงานมีเวลาว่างน่าจะมาวัดก็เลยสั่งทางวาจาให้พูดบอกกับญาติสนิทมิตรสหายว่าวันนี้วันเสาร์เรามาวัดทำบุญกันพอได้ว่าแล้วขั้นต่อไปก็เตรียมตัวออกเดินทางก็สั่งไปที่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนคนใช้ของใจ ใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจก็สามารถสั่งไปได้สามทางสั่งให้ไปทำบุญสั่งให้ไปทำบาปสั่งให้ไปทำไม่ทาที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปมีสมอย่างในชีวิตของเรานี่เราจะทำสามอย่างคำว่าบุญแปลว่าอะไร คือการกระทาที่ทำให้เกิดผู้อื่นได้รับความสุขเช่นวั น, นญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารของเคาาของหวานมาถวายพระพระได้รับแล้วพระก็มีความสุขพอได้รับประทานอาหารพระไม่มีอาหารรับประทานถ้าญาติโยมไม่ใส่บาตรถ้าญาติโยมไม่มาวัดเวลาญาติโยมมาวัดญาติโยมก็เอาความสุขมาให้กับพระ เราจึงเรียกว่าการกระทําแบบนี้เป็นการทําบุญส่วนการกระทําบาปก็คือการนําความทุกข์มาให้แกผ่ผู้ถ้าญาติโยมมาที่วัดแล้วญาติโยมก็มาขโมยของวัดไปขโมยบาทขโมยข้าวของของพระไปพระก็เดือดร้อนไม่มีบาตบินตาบาตก็ไม่ได้มาขโมยจีวรไปก็ไม่มีผ้าใส่ สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับพระก็เรียกว่าเป็นการทำบาปเช่นการฆ่าผู้อื่นก็เป็นการทำบาปเพราะทำลายชีวิตไม่มีใครรักอะไรเท่ากับชีวิตของตนแล้วถ้าชีวิตถูกทำลายไปก็เป็นทุกข์มากรักทรัพย์ก็เหมือนกันทรัพย์ของใครใครก็รักใครก็หวง ถ้าเอาทรัพย์ของเขาไปก็ทําให้เขาทุกข์สามีภรรยาของเขาก็เช่นเดียวกันถ้าไปแย่งสามีภรรยาของผู้อื่นก็ทําให้เขาทุกข์เช่นเดียวกันการไปโกหกหลอกลวงพูดความไม่จริงก็ทําให้เขาทุกข์ได้เหมือนกันนี่คือการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเรียกว่าเป็นการกระทําบาป เวลาทำบาปแล้วผลมันก็จะสะท้อนกลับมาที่ใจของเราเวลาทำบาปใจเราจะร้อนใจเราจะไม่เป็นปกติใจเราจะหวาดกลัววิตกกังวลนี่เป็นผลบาปในเบื้องต้นแล้วพอจับได้ว่าถูกว่าทำบาปก็จับไปลงโทษก็จะเกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกเช่นไปรักทรัพย์ตำรวจจับได้ ก็จับไปขึ้นสารสารก็สั่งจำคุกสมเดือน6เดือนก็ไปติดคุกติดตารางอันนี้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ในคุกในตารางกันไปอยู่ในคุกในตารางแล้วมีความไม่สบายใจทุกข์ใจกันแล้วหลังจากที่ตายไปก็ต้องไปใช้กรรมต่อในอบาย การกระทำบาปของเราในโลกนี้อาจจะไม่ถูกตารวจจับก็ได้อาจจะไม่มีใครรู้ก็ได้อาจจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางก็ได้แต่เวลาตายไปนี้ต้องไปอาบายอย่างแน่นอนไม่ต้องมีตารวจมาจับไปลากตัวไปอาบายไม่ต้องมียมมาบานเพราะกฎแห่งกรรมนี้เขาจะจัดการกับผู้กระทาเอง เหมือนกับเวลาที่เราปลูกต้นไม้ปลูกแล้วผลของต้นไม้ย่อมออกมาไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาบีบคั้นให้ต้นไม้ผลิตผลออกมาฉันใดการกระทําก็เหมือนกันไม่ต้องมีใครมาจับมาลากให้เราไปรับผลกรรมผลบุญกันถึงเวลาแล้วมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัตินี่คือการกระทํา ทำบุญก็จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจพอใจภูมิใจคนที่เขารู้เขาก็อาจจะสรรเสริญยกย่องเยืนยอให้รางวี่รางวัลเราในฐานะที่เราเป็นคนดีทำความดีทำงานในบริษัททำงานกับทางราชการถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่หูตาดี ก็อาจจะสนับสนุนให้เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะการกระทำความดีของเรานี่เป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าบางทีการทำความดีของเราผู้อื่นอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ดังนั้นเวลาเราทำความดีเราไม่ควรไปหวังผลตอบแทนจากผู้ ควรจะมองผลที่ใจของเราเวลาทําแล้วเรามีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความภูมิใจมีความพอใจอันนี้พอแล้วอันนี้แหละคือผลที่เกิดจากการทําบุญแล้วเวลาตายไปก็จะได้ไปสู่เทวโลกไปสู่พรมวโลกไปสู่อริยลโลกตามลำดับต่อไป อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนส่วนรางวี่รางวัลลาบยศสรรเสริญอาจจะเกิดก็ได้ไม่อาจจะเกิดก็ได้ดังนั้นเวลาเราทำบุญทำความดีเราอย่าไปหวังผลที่เราจะได้รับจากผู้อื่นเช่นได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญถ้าเราหวังแล้วเราจะผิดหวังได้ถ้าเราจะ อาจจะมีความเห็นผิดเป็นชอบได้เห็นว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่ได้ผลดีอะไรสู้ไม่ทำดีกว่าคนไม่ทำดีทำทำชั่วกับได้ผลดีมีมากถมเถไปคนบางคนไม่ได้ทำความดีทำบาปแต่กลับได้ลากยศสรรเสริญเช่นคนไปทำบาปไปช่อโกงไปลักทรัพย์คอร์รัปชัน แล้วก็เอาเองินที่ได้นี้ไปให้กับเจ้านายเจ้านายก็ชอบเจ้านายก็เลื่อนตาแหน่งให้เลื่อนขั้นให้นี่คือไม่คือสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญเป็นเรื่องของบาปเพราะว่าทาบาปแล้วใจก็จะไม่สบายใจจะหวาดกลัววิตกถึงแม้ว่าจะได้เงินมาได้ขั้นได้เลื่อนตาแหน่ง แต่ก็กลัวว่าจะสักวันหนึ่งจะถูกจับได้พอถูกจับได้แล้วก็จะถูกยึดไปหมดทรัพย์ที่โกงมาก็จะถูกยึดไปตําแหน่งที่ได้มาก็จะถูกปลดออกไปดังนั้นขอให้เรามองที่ใจของเราเป็นหลักมองที่ความรู้สึกในใจของเราเวลาเราทําบุญหรือทำบา มันจะเห็นได้ชัดเวลาเราทำบาปนีใจจะไม่สบายเวลาไปโกหกแม่ไม่พูดความจริงกับแม่เวลาเห็นหน้าแม่ก็กลัวกลัวว่าแม่จะจับได้ว่าลูกพูดบทพูดโกหกหรือเวลาไปขโมยของของแม่ไม่บอกแม่ก่อนก็กลัวแม่จะรู้แต่ถ้าไม่ทำบา เช่นอยากจะได้อะไรก็ขออนุญาตขอจากแม่ถ้าแม่ให้ไปก็สบายใจได้ทั้งของได้ทั้งความสบายใจถ้าพูดปดก็จะไม่สบายใจถ้าพูดความจริงก็จะสบายใจถึงแม้ว่าจะไปทําผิดมาแต่ก็สารภาพบอกแม่ว่าขโมยของแม่ไปไม่ได้มีโอกาสได้บอกแม่ก่อน ถ้าบอกให้แม่รู้แม่ก็จะไม่ว่าอะไรถ้าว่าก็จะว่าเพื่อเป็นการตักเตือนสั่งสอนเพื่อที่จะไม่ให้ไปกระทำอีกแต่ใจเราก็จะสบายที่เราไม่ได้พูดปดเราไม่ได้ทำบากนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นในใจของเราทุกครั้งที่เราทำบุญหรือทำบาล้วผล ที่เราได้ทำนี้ก็จะสะสมไว้เหมือนกับทรัพย์ที่เราไปฝากไว้ในธนาคารหรือเงินที่เราไปกู้จากธนาคารมันจะสะสมอยู่ในธนาคารธนาคารของใจเราก็คือใจเรานี่เองบุญและบาปนี้จะถูกสะสมไว้ในใจของเรา ความรู้สึกสุขหรือสทุกนี้จะสะสมไว้ในใจแล้วพอร่างกายนี้ตายไปบุญกับบาปก็จะมาคิดบัญชีกันมาหักโบกันนไหนมีกำลังมากกว่าอันนั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้ใจไปครองเช่นบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะได้ใจไปครองพาใจไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาป ก, ก็จะได้ใจเป็นของครองจะบาป ก, ก็จะเอาไปสู่อาบายไปเป็นเดรัจฉานพาใจให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานพาใจให้ไปเปเปรให้เป็นอสุรกายให้เป็นสัตว์นรกนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พวกเราทํากันอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ นอกจากบุญกับบาปแล้วเราก็มีการกระทำอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นบุญและไม่เป็นบาปเช่นอะไรก็คือการกระทำที่ไม่ได้เกิดโทษแก่ผู้อื่นและเกิดคุณแก่ผู้อื่นไม่ได้ทำให้ผู้อื่นสุขหรือทุกข์เรียกว่าเป็นการกระทำที่เราทําอีกอย่างหนึ่งการกระทำเหล่านี้มีอะไรบ้างเช่นเวลาเราดูแลตัวเรา อาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวออกกำลังกงออกกำลังกายรับประทานอาหารการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำ ท, ที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำให้ใครได้รับประโยชน์จากการกระทำเหล่านี้เราไม่ได้ไปทำอะไรให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายเดือดร้อน ผล ข, ของการกระทำเหล่านี้จึงเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเราอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเราจะไม่รู้สึกไม่ทุกข์เหมือนกับเวลาที่เราทำบุญและทำบาปถ้าเราทำแต่อย่างนี้ไปอย่างเดียวบุญไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำเวลาตายไปก็ไม่ได้ไปทั้งสวรรค์ไม่ได้ไปทั้งอบาวยก็ต้องมาเป็นมนุษย์ใหม่ นี่คือที่มาที่ไปของภพชาติของพวกเรามาตามบุญตามบาปพวกเรานี้มาได้สามทางมาเพราะว่าเราบุญก็ไม่ได้ทำบาปก็ไม่ได้ทำบุญกับบาปเท่ากันก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปเราไปเกิดในสวรรค์ก่อนพอบุญกับบาปลดจำนวนลงมา พอบุนลดจำนวนลงมาเท่ากับบาปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราลงมาจากสวรรค์เราจะมาเกิดดีกว่าเกา่าร่ำรวยกว่าเกา่ารูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเกา่าอายุยืนยาวนานกว่าเกา่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเกา่านี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญ แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่ถ้าเรากลับมาจากอ บ, บายเช่นกลับมาจากนารกกลับมาจากเป็นการเป็นเปรตกลับมาจากการเป็นเดรัจฉานเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ได้ ว, วาสนาอาภัพวาสนากลายมารูปร่งหน้าตาก็จะไม่สวยไม่งามผิวพรรณไม่ผ่องใสถานะการเงินการทองไม่ดี เกิดมาเป็นคนจนคนยากคนจนมีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์อาการ32สองไม่ครบมีอายุสั้นมีโรคภัยไข้เจ็บเดียดเบียนเพราะนี่เป็นวิบาของบาป ท, ที่เราทำไว้ยังติดมากับใจอยู่นี่แหละนี่คือเหตุที่ทำให้พวกเราเกิดมาไม่เหมือนกันสูงสูงต่ำตาๆเกิดมาจากพ่อแม่ คนเดียวกันแต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่เหมือนกันฐานะการเงินการทองไม่เท่ากันอวัยวะอาจจะไม่ครบท่วนบริบูรณ์เท่ากันอายุไม่ยืนนานเท่ากันเพราะว่าการกระทำของเราไม่เหมือนกันนั่นเองการกระทำก็คือใจ ร่างกายเป็นเพียงผู้ที่รับวิบากของใจเวลาใจมาครอบครองร่างกายในขณะที่ตั้งอยู่ในท้องแม่ใจที่มาจากสวรรค์ก็จะส่งเสริมให้ร่างกายเจริญแข็งแรงใจที่มาจากอบายก็จะทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายนี้มีใจเป็นผู้ที่คอยทำให้ร่างกายเป็นอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ทำให้พวกเรามีความแตกต่างกันอย่างในที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรไปต่างๆกันให้เป็นสูงเป็นต่ำใ ห, ให้เป็นพระอริยเจ้าให้เป็นพรหม ให้เป็นเทวดาให้เป็นมนุษย์ให้เป็นเดราาัจฉานให้เป็นเปรตให้เป็นนรกนี่ขึ้นอยู่ที่การกระทำของใจใจจะทำบุญก็ทำบาปนี้ก็อยู่ที่ว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะคิดดีพูดดีทำดี ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีการที่จะเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็อยู่ที่การครบกับคนถ้าคบกับคนที่มีสัมมาทิฏฐิเช่นคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินคําสอนให้เราคิดดีพูดดีทำดีาะผลที่จะตามมาก็จะเป็นผลที่ดี ถ้าเราอยู่กับคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคนที่ไม่รู้ว่าการกระทำของตอนนี้เป็นเหตุที่ทำให้ตนเองดีหรือไม่ดี mm hmm. ก็มักจะทำไม่ดีเพราะในใจของของสัตว์โลกนั้นยังมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ก็คือความอยากที่จะทำบาปความอยากที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีพอไม่มีคนสอนไม่ให้ทำ ก็จะทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ามีคนสอนคนบอกคนคอยเตือนว่าอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเชื่อก็จะได้ไม่ทำดีทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะคิดดีพูดดีทำดีได้พ่อแม่จึงต้องคอยสั่งสอนลูกไม่เรื่องเรื่องของการทำไม่ดีนี้ไม่ต้องสอนเลยไม่ไม่ไม่ต้องสอน ถึงเวลาเขาจะทำไม่ดีองแต่ถ้าเรื่องของคมความดีนี้ต้องสอนเขาถึงจะทำได้เพราะในใจของผู้ที่มาเกิดส่วนใหญ่นี้จะมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นะไม่รู้จากบุญจากบาปไม่รู้จากดีจากชั่วไม่รู้จากคุณจากโทษจึงต้องอยู่คบกับคนดีคนที่มีสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิ เขาก็จะสอนให้เราคิดดีพูดดีทาดีได้นี่แหละคือต้นเหตุของการกระทำบาปหรือการกระทำบุญอยู่ที่ว่าเรามีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่รู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ก็มักจะไปทำชั่วแทนที่จะทำดีพอทำชั่วแล้วก็รับผลของการกระทำชั่วไปนี่แหละคือสาเหตุที่พวกเราต้องเข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่พวกเราจะได้มีสัมมาทิฏฐิกัน mm hmm. เมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็จะได้คิดดีพูดดีทำดีพอเราคิดดีพูดดีทำดี ผลก็จะเป็นผลที่ดีอยู่ในปัจจุบันก็มีความสุขใจสบายใจตายไปก็ได้ไปอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าไม่มิจฉาทิฏฐิก็จะทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีใจก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบาย นี่คือเรื่องของการมาวัดในวันนี้ของพวกเราเรามาทาความดีกันเรามาแปลงมนุษยทรัพย์ที่เรามีมากเกินไปเช่นมีเงินทองมากเกินไปไม่จำเป็นจะต้องใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอามาแปลงให้มันเป็นทรัพย์ภายในเหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศ เราไม่สามารถเอาเงินบาทเอาไปติดตัวใช้ได้เราก็ต้องไปเปลี่ยนสกุลเงินใหม่เช่นไปเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ที่เราจะได้เอาไปใช้ในต่างประเทศได้แต่ไดเวลาตายไปแล้วเราก็ต้องเอาบุญติดตัวไปบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาที่จะทำให้เรามี รั์ไว้ใช้จ่ายเวลาที่เราไปอยู่ในโลกทิพย์เราก็จะได้ไปอยู่ในเทวโลกได้ไปอยู่ในพรมโลกได้ในไปอยู่ในโลกของพระอริยเจ้าได้ถ้าเรามีทรัพย์ภายในติดตัวไปถ้าเรามีบุญติดตัวไปจึงขอให้ท่านพยานสะสมรัพย์ภายในให้มาก ทรัพย์ภายนอกมีไว้พออยู่พอกิงก็พอแล้วเอาทรัพย์ภายในดีกว่าเพราะไม่นานเราจะต้องออกเดินทางกันเหมือนกับถ้าเราต้องไปต่างประเทศเราก็ต้องรีบเปลี่ยนเงินไทยให้เป็นเงินดอนไว้เยอะๆเวลาไปต่างประเทศนี้ใช้เงินดอนได้ใช้เงินบาทไม่ได้ถ้ามีเงินดอนก็ไปอยู่โรงแรมห้าดาวได้ถ้ามีเงินบาทไปก็อาจจะต้องไปอยู่ใต้สะพาน ไปขอเขาอยู่ไปอยู่ตามวัดตามวาดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราในอนาคตจะมีแต่ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนดีถึงขั้นสูงสุดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาแปลทรัพย์ต่างๆที่เรามีอยู่นี้ให้เป็นทรัพย์ภายใน เพื่อที่เราจะได้เอาติดตัวไปได้เพื่อที่เราจะได้ไปอย่างสุขอย่างสบายการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอตเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันน้ำสุขภาภะโดยทั่วหน้าการเธอ <c oughs> <c oughs>